พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่สิบสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าไปไหนมาไหนให้ดูแลกันวันนี้พระ ลงมาฉันสี่สิบรูปงดฉันส1บอรูปพระในวัดของเราทั้งหมด5้าสบอดวันนี้เห็นหน้าตาวันเนี้ยเพราะว่ า, วาครูบาจะไปกลวะกลวะครูบาอาจารย์จะไปอำเภอน้ำโสมจันพระครูภูนาหลาวแล้วก็พระอาจารย์คำสด แล้วก็หลวงพ่อชาลีของจะไปสามวัดวันนี้วันนี้เป็นวันที่แปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานมีพี่น้องชาวอินโด อินโดนีเซียมาพักแล้วก็มีครูบาอาจารย์ทาง น, นวนม่วงอำเภอลำโสมมาปาลบเกี่ยวกับอยากจะได้อาคารเรียนนักเรียนไม่พออาคารเรียนไม่พอแล้วก็โรงพยาบาล อำเภอสุวรรณครูหาอยากจะได้รถแอมโมแลนอยากจะทอดผ้าป่าอยากจะให้หลวงพ่อไปเป็น อ, องค์แสดงธรรมที่มาเมื่อวานศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธรับไว้ทุกรายการรับไว้พิจารณา ถ้าหลวงพ่อรวยเป็นเงินถุงเงินถังแล้วก็หลวงพ่อไม่ว่าใครขออะไรจะให้ทั้งหมดแต่หนหลวงพ่อก็อจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าแต่หลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธเพราะอันนั้นคือสาธารณคือส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดวาสาธนาของหลวงพ่อพอหลวงพ่อก็เคยช่วยมา ตามกำลังนะแต่ก็ในวัดของเราก็มีเนี่ยปีนี้ก็เราก็ไปทำสำนักผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกากำลังก่อสร้างกำลังทำอยู่อันนั้นก็จะต้องได้ใช้จะตปัจจัยพอสมควรแต่หลวงพ่อหนักไหมที่พูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยหนักใจในทางทางด้านวัตถุ หลวงพ่อไม่เคยหนักใจในด้านวัตถุมันมีมาก็ใช้ไปถ้ามันไม่มีจะใช้ไปทำไมเพราะมันไม่มีจะไปหนักใจทำไมจะไปหนักใจให้งโง่ทำไมหลวงพ่อเขาว่าอย่างนั้นอีกถ้ามันมากมันมีมากออเออเอ่อแต่ศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้ที่จะมาทำแต่ว่างเงินพอที่จะแบ่งมาทำทาบุญได้เอาทำไปเ ก, เก็บ <c oughs> เก็บไว้ทำไมเก็บไว้อล ทำไมมากมายนักหนะพอที่จะแบ่งทําบุญก็แทงแบ่งทําบุญเพราะอันนี้สงทานเท่านั้นจิตเกื่อจะทําให้เกื้อกุลหนุนพวกท่านทั้งหลายเกิดในภพภูมิใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่หยากชีวิตจะราบรื่นไปทุกอย่างเพราะอันนี้สงทานอันนี้สงศินอันนี้สงภาวนามันเป็นสามขาอย่างอันนี้สงทานคืออะไรเราเกิดในภพใดชาติชาติใด การบริหารจัดการการเป็นอยู่ของเราจะเรียบร้อยราบรื่นจะไม่มีอุปสรรคเพราะอเ น, นสงทานของเราไปนสถ า, านที่ใดไม่อดไม่อยากมีแต่ให้คนทั้งหลายให้ความเคารพนับถื อ, อแล้วก็อยู่ที่นสถ า, านที่ใดปัดจจัยสี่บริบูรณ์มันเป็นมาเองมันเป็นไปได้เอง เพราะอเนกสงทานอนกสงสินไปอยู่นสถานที่ใดเหมือนกับมีเกราะกําบังไม่มีใครที่จะมาหลังแกเบียดเบียนเราเราได้พอเหตุไหลายพาะอนกสงสินคุ้มของอนกสงสินเก่าแก่ที่เราประกอบคุณงามความดีเราไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยลังแกใครไม่เคยทําให้ คนอื่นเขาทกใจกับเราเราไปเกิดนสถานที่ใดเหมือนกับมีเกาะกำบังไม่ให้สิ่งที่มันเสียหายเข้ามาหาเราได้อันนี้ก็คืออั น, นสงสีอั น, นสงภาวนากระทำให้จิตใจของเราเออคิดไปนในทางที่ถูกต้องนะว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอะถ้าว่าเราไม่เคยภาวนานเลยเขาหลอกลวงอะไรก็เชื่อไปทั้งหมด พ่อยไหลเพราะเราไม่ได้ภาวนาเราเป็นไม่ได้ศึกษาในศัพไธรรมะเรากลงเชื่อเขาได้ง่ายๆเพ่อยไหลเพราะเราขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติขาดการเรียนรู้อันนี้ก็คืออั น, นสงสินอเ น, นสงทานศีลภาวนา จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราไปเกิดนะพบภูมิใดถ้าว่ายัางไม่พ้นทุกในวัะสงสารนะแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายน้อยมากที่จะพ้นทุกได้เพราะเหตุไรเพราะความขี้เกียจขี้คลานของพวกเราเนี่ยมากมายมหาศาลเวลาพูดพูดอยู่ดาวนะั่นพูดจะพ้นทุกพึ่งถึงพรนิพพานแต่การกระทาของเราเนี่ย น่นจมปลักอยู่เหมือนกับอยู่ในขี้โครนนะจะไปถึงนิพพานได้อย่างไร เ, เวลาพูดนะเนอผมภาวนาจะทำยังไงผมจะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะลื้สับประสัตว์ทั้งหลายในโลกไปได้ทั้งหมดพุทนะคิดใจขนาดนั้นนะแต่ขณะตัวเองนะทำจิตใจให้สงบนิ่งอยู่ตลอดเวลานะยังทำไม่ได้ พอมันคิดคิดนู่นคิดข้ามมันข้ามซอสไปไม่รู้กี่กี่ทวีปนี่นแหละนี่นแหละความลืมตัวความหลงตัวความลืมตัวความไม่มองตนเองอว่าตัวของเรานี่ยคือใครขนาดใจของเราก็ยังไม่สงบนิ่งอนู่นจะหวังหรือพบหรือชาติน่ยน่ะพวกเรานมันโง่ขนาดนะบางที พอบวชเข้ามาจิตใจได้รับความสงบน้อยนึงพอเป็นสมาธิหน่อยหนึ่งพุดนะโอโ้มีความสุขจริงๆริงคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงองาาาศาคณญาติจะไปโปรดเขาคิดจะไปโปรดพี่น้องพ่อแม่อพอไปถึงเขาเขาใจหมัดเข้าไปสองสามหมัดเท่านั้นแหละอกแตกตายเลยะออมากต่อมากเลยเด้เพราะเหตุไรเพราะว่าจะไปสอนเข า, าเขาสอนตัวเองไม่คิดนะ ผลที่สุขผลพร ะ, ระที่ภาวนาจิตใจเ้าได้รับความสงบประเดียวปะดาวแล้วค็คิดถึงคนอื่นอันนี้มากต่อมากนะอันนี้ให้พวกเราพระเนรลูกหลานทุกองค์ให้ตรวจตราดูตนเองขณะนี้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจิตใจของเราเยอยู่ในความสงบเลยอย่างเข้าสมาธิได้ทุกครั้งเลยอย่าง แต่ขนาดจิตใจของเราเองยังทะเลทลายเถลิดทะลายยังค่มไม่อยู่แต่นู่นคิดไปอีกมุมหนึ่งสิ่งเหล่านั้นนะให้พวกเราได้คิดสรุปแล้วคือหลวงพ่อไม่ให้หลงลืมตนเองให้ดูเจ้าของให้ดูใจของเราอย่าไปดูอยาไปออกไปข้างนอกแต่ส่งข้างนอกเนะ่ะเดียวเสียคู่เสียคู่เสียขดเสียศนะูยนย์ดง่ายเป็นบาหะ เป็นบ้าได้ง่ายๆท่านนี้ออกจากหลักของตนเองแล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราดูใจของเราได้อะไประหารไปเพื่ออะไรอยากได้ลาภรด้ยศไปเพื่ออะไรอยากจะให้เขายกย่องสันสุดเสริญไปเพื่ออะไรผลในสุดตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่าตายเป็นอยู่อย่าอย่าหลงเจ้าของนะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราย้อน มาหาตัวเองถ้าพอเราย้อนมาหาตัวเองดูตัวเองอยู่เสมอความหลงลืมในตัวเองความมักใหญ่ไฟสูงในตัวเองจะหมดไปนะพระเนนลูกหลานาาจตหาญาติโยมพวกเราและก็วันนี้เป็นวันหัวหน้าหลวงพ่ออนุญาตให้พระในวัดของเราจะไปคาระวะ ครูบาอาจารย์ในท้องถิน่นพระอุปชาหรือครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นก็มีพระอาจารย์ภูนาหลาวพระอาจารย์บุญมีอาจารย์พ่อกลูเจ้าคณะอําเภออำเภ อ, อ, เภอน้ําโสมแล้วก็คงจะไปบ้านเพิ่มหลวงพ่อคําสดแล้วก็คงจะมากราบหลวงพ่อชาลีพระอุปชาของพวกพระลูกพระหลานพระใหม่ก็กลับมาวัด วันนี้เขาคงจะทั้งวันนั่นแหะไปสามวัดไปพวกเราราได้บวชมาเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไปมุดน้ําดําหัวพระกรรมฐานไปกราบไปทําวัดไม่ใช่ทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะแต่ถ้าหาว่าเป็นภาษาหนังสือคำว่าทำวัดคํานี้ก็คือว่าทําวัดเช้าทำวัดเย็นแต่เป็นภาษาของพระกรรมฐานตัวไปทำวัดกูบาาจย์ กะแปลว่าไปมุดน้ำดำหัวไปกราบคารวะข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังประคุณท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอครูบาอาจารย์โปรดเมตตาโอโหสิกรรมให้กับพวกกระผมด้วยพวกกระผมจะได้สำรวมระวังต่อไปอันนี้คือไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ที่เป็นในท้องถิ่นของเราที่พวกเรา รักเคารพนับถือเลื่อมใสเอกถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อันนี้เราไปทําวัดวันนี้แหละจะให้พระ เ, เนนพระทุกองค์ใครจะไปแล้วก็ควรจะแบ่งกันนะพระเก่าที่เคยไปแล้วก็เฝ้าวัดศรัทธาญาติโยมผู้ใดอยากจะไปพอรถก็รถใหญ่เรถจอดอยู่ข้างหน้านะหน้าที่มาจอดไว้นะั่นอันนี้แหละคือรถ ครูบาท่านสั่งมาเพื่อจะให้พวกพระและก็ศรัทธาญาโยมผู้ที่ไปอยากจะไปกราบครูวะครูบาอาจารย์ตับกราบทาวัดพระครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะแต่ที่ยังไงเวลาการไปก็ต้องมองมองกันนะอย่าไปทะเลทลา่าทะเลทลายไม่ได้นะ เวลาไปถึงนั่นน่ะอยากจะดูนั่นอยากจะดูนี่เหมือนกับเป็นนักสังเกตการนักสอดรู้สอดเห็นจริงๆรงพอออกไปนนนู่นไปที่ไหนก็ไม่รู้หมู่จะไปก็ไปไม่ได้หลวงพ่อบอกเลยนะหัวหน้าใหญ่นะใครเป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าลงไปแล้วไปไหนถามหาไม่เจอไปเลยไม่ต้องรอนะพอหลวงพ่อสั่งฮะไม่ต้องรอ เว้นเียจะเข้าห้องน้ําห้องส้วมถ้าห้องน้ําก็ต้องบอกหมู่ซะก่อนเออผมขอเข้าห้องน้ําก่อนนะไอ้บอกครูบาอาจารย์บอกนั่ะเดี๋ยวผมขอห้องน้ําผมใช้ห้องน้ําปวดอขอเข้าห้องน้ําก่อนไอ้องคเทใส่รับก็ต้องบอกว่าเออคนนั้นคนนี้เขาเข้าห้องน้ํำมีความจําเป็นไม่ใช่ว่าบางแห่งพอครูบาอาจารย์พาไปคารวะ พอลงจากรถเท่านั้นน่ะนู่นไปหาพูดคุยกับพระองค์ที่ตนเองรู้จักอยู่ทั้งหลังวัดเลให้หมู่คอยบออคอยแล้วคอยอีกไม่ล่วไปไหนถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ต้องรอนะหลวงพ่อสั่งหลวงพ่อเป็นคำสั่งของหลวงพ่อเองไม่ใช่โอกาสที่จะพูดคุยกันอย่างนั้นเราไปคารวะต้องไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มพอไปถึงแล้วก็ ขึ้นศาลาต้องดูหัวหน้าหัวหน้าพาธรรมพากราบพาไหว้พะสงขึ้นไปพร้อมกันอย่าไปขึ้นไปโกละทิศละครั้งถ้าอย่างองอย่างองหลวงตาเนะเวลาเข้าไปกราบท่านนะพอไปแล้วนะพอไปหัวหน้าก็กราบไปองค์ที่สองก็กราบมันทำไมไม่มาพร้อมกันมันกราบพร้อมกันไม่ได้เหรอ มันทำไมเนี่ยจะให้เราะโยโยโยกมือไหวทั้งวันเนี่ยพวกเนี่ยเหอมันทําไมไม่มีระเบียบอย่างเนี้ยพวกท่านมันศึกษายัางไงเวลากมาแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันก็รู้อยู่แล้วทําไมไม่ขึ้นมาพร้อมกันมันทําไมขึ้นมาอย่างนี้ถ้าหาว่ามาขึ้นไม่พร้อมกันหัวหน้าก็ต้องหยุดซะก่อนรอซะก่อน อ, อจนกว่าลูกน้องขึ้นมาพร้อมกันเอ้าพร้อมกันแล้วนั่งคูกเขาก่ากราบ ลกล่าวะเออหรือว่ากราบก่อนเออและยังค่อยกราบกล่าวะเป็นครั้งที่สองอีกก็ยังได้ไม่ใช่ต่างคนขึ้นไปกับต่างคนต่างกราบทั้งผ้าหลุดผ้านลน่นเอออย่างนั้นน่ะหลวงตามาหลวงตามหาบัวเนี่ยด่าด่าพระหนะลวงพ่อเห็นด้วยนะเออบางทีหลวงพ่อกขาลำคาญเหมือนกันพอมาก็ามาต่างคนต่างกราบยกมือไหว้ทุกวงถ้าไม่ยกมือไหว้ก็ไม่ได้นะ มันผิดวิไหนอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเมื่อเมื่อท่านไหว้เราก็ต้องไหว้ตอบเพราะเป็นพระนะถ้าว่าไม่ไหว้ไม่ได้แต่บางองค์ก็มากกว่านั้น เ, เวลาเข้าไปต่อหน้าขอโอกาสครับจะกราบไปขอโอกาสทำไมคือการกราบเลยคือท่านฉันอาหารท่านกำลังฉันอยู่ห้ามกราบเป็นอาบัตทุกกฎ ถ้าว่าท่านเปลือยกายท่านยังนุ่งผ้ามีแต่ผ้าอาบน้ำไปกราบท่านก็ไม่ได้ปราบอวบทุกกฎท่านมองไม่เห็นไม่เห็นเราเราไปกราบทางหลังท่านอันนั้นก็ไม่ได้ต้องให้ให้ท่านได้เห็นเราจึงกราบหรือว่าท่านเป็นนานานิกยหรือว่าท่านทำตนไม่ดีเป็นอาบัตหรืออะไรเราก็ไม่ต้องกราบ การการไม่กราบก็มีมีหลายแนวเหมือนกันนะ อ, อไม่ใช่ว่าไปเห็นแล้วก็เห็นที่ไหนก็จะกราบที่นั่นก็ไม่ใช่เออมันต้องดูซะก่อนแต่ถึงอย่างไงท่านท่านเห็นมองเ ห, เ, หอเห็นเหลืลเ อ, อเพนเลาแล้วเห็นเตี้นเลาแล้วเออมาเราไม่ต้องขอโอกาสท่านหรอกออถ้าหากว่าท่านเรากราบไปแล้วท่านไม่ท่านไม่ใส่ใจก็แสดงว่าท่านไม่ให้ความสนใจกับเราเออ แต่ว่าในเมื่อท่านมองเห็นเราอยู่เราเห็นเด่นแล้วเราเข้าไปแต่ท่านไม่ยกมือไหว้ก็แสดงว่าเป็นความบกพร่องของท่านเยแต่ถ้าว่าท่านเห็นแล้วท่านต้องยกมือทุกองค์แต่ว่าการยกมืออย่างที่ว่าเนี่ยกกยกมกยกมือไหว้รับเนี่ยพวกเราต้องไปพร้อมกันอไม่ใช่ว่าต่างองค์ต่างเข้าไปป ร, รุ ป, ป ร, รับ อย่างนั้นอันนี้ก็คือการเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ให้พวกเราสังเกตให้พวกเราดูนะกราบพร้อมกันในเมื่อกลาบแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยอย่าไปเน่าเอามือเท้ า, ามือเอามือเท้าพื้นจะเท้ า, าขวาก็ตามเท้าซ้ายก็ตามไม่ควรจะนั่งอันนั้นคือขาดความเคารพต้องมือประสานกันไว้ข้างหน้าอย่างลุงพอ่อนั่งอยู่เดียวเนี่ยนะ อจะนั่งอย่างไงก็ได้แต่ไม่ให้เอามือค้าเจ้ยค้าจ่ายอันนั้นเป็ว่าขาดความเคารพในการเข้าต่อหน้าครูบาอาจารย์ต้องนั่งให้เรียบร้อยของผ้าให้เรียบร้อยจากกระดุกกระดิกเอีเว้นเสียแต่มันผ้ามันจะดูดแมลงกัดหรือก็ยังค่อยว่ากันอันนี้บางคนกระดุกกระดิกเหมือนกับคนขาดสติไม่มีสติไม่ได้ไม่ได้รับการฝึกมาทางด้านสติเฉลยดูแล้วก็ไม่เรียบร้อยอีกเหมือนกัน กระยุงก็ะหญิงก็ะยุงก็ะหนิงกระดุกกระดิษกรุงกระดิ่งอยู่อย่างนั้นหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้อ น, นั้นไม่ใช่ ผ, ผู้เขา้านั่งต่อหน้าครูบาอาจารย์ต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อยอันนี้แหละคือการไปเพื่อการเรียนรู้ศึกษาจากนั้นก็หัวหน้าก็เป็นผู้พานำเอานั่งคุกเข่ากราบคารวะครูบาอาจารย์อว่าน้าโมพร้อมกันเราก็เป่งน้โมเสียงให้พร้อมกัน ไม่ใช่ว่าเสียงนโมกับคนหนึ่งนาโมนาโมดาจหาไปคนละทิศละทางมันต้องฝึกอีกเหมือนกันนะเอออันนี้หลวงพ่อเคยได้ยินถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าเสียงไหนถ้าองค์ที่เป็นหัวหน้าเสียงไม่เข้าท่าก็พูดเสียงค่อยๆก็ได้ไม่ต้องเป็่งเสียงเพราะตัวเองเสียงผิดปกตินะเพียงแต่อนาโมนาโมพูนสองต่อสองก็ต้องรับ ก็ต้องรู้กันองไปด้วยกันอยู่ด้วยกันมานานไม่รู้เหลือเสียงไปเสียงกันเป็นยังไงเอองค์ที่สองก็ต้องรับอืใครมันเข้าเป็นกฎรละเบียบนี่แหละสรุปพระก็คือการไปนักสถานที่ใดให้ใช่จิตใช้ปัญญาทั้งหมดถ้าไม่ใช่จิตไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความอรอบคอบ ม, มันดูดูแล้วมันหน้าหวัวเราะหน้าขำแต่มันขำไม่ออกขำพระนะ พระเจอเอี่ยพวกนั้นพวกเรานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อมิตรสอนให้ความรอบคร อ, อบสอนให้เรียบร้อยทุกอย่างการเป็นอยู่การวางตัวกิริยามารยาทถ้าว่าเราวางตัวไม่ถูกไม่ได้นะแต่ตามทางนี้ทางนั้นไม่ใช่หัวหน้าทำอะไรให้ทำหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่นะแต่หลวงพ่อเ ค, เคยเล่าให้ฟังไม่ใช่เหรออืม หลวงพ่อเคยเล่านิทานให้พวกเราได้ฟังหัวหน้าทำอะไรให้ทำอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเล่าออสองมีลูกชายลูกชายบ้านนอกออขนบ้านนอกแล้วก็ไปเรียนหนังส ữ, อือเไปอยู่กับเป็นเด็กเข้าไปพอไปเรียนหนังสือก็ได้ไ ด, ได้ดได้ดีได้เป็นนายใหญ่พอสมควร เออก็มาบ้านปีละครั้งสองครั้งมาเยี่ยมพอ่อจากนั้นก็ไปทำงานแต่ก็คงจะไปขี้อวดกับหมู่พวกเพื่อนเพราะว่าถ้าว่าตัวเองเกิดว่าเป็นบ้านนอกเดี๋ยวตำแหน่งจะไม่ขึ้นเพราะเป็นบ้านนอกก็คงจะขี้อวดให้เขาว่าเป็นลูกของคนในเมืองเพราะตัวเองไปอยู่กับคนในเมือง ถือว่าเป็นคนในเมืองเป็นพ่อเป็นแม่ เ, เขาส่งเสียกันเ mm. ลยถือเขาเป็นพ่อเป็นแม่ถือว่าตัวเองเป็นคนในเมืองในกรุง เ, เนาะคงจะไปขี้อวดเขาไว้อพอต่อมาทีอมาเยี่ยมพ่อแม่ทางบ้านพอตกหน้าฝนอย่างนี้แหะผู้พ่อกอออ็คิดถึงลูกชายมีแต่จดหมายมา จะไปเยี่ยมลูกชายแต่คนบ้านนอกเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมไปเยี่ยมคนในกรุงทำยังไงผอ้โดยส่วนเขาก็ไยหาหน่อไม้บัหาเห็ดบังของที่กินบ้านนอกของเราการที่จะไปเยี่ยมผู้ใหญ่และไปเยี่ยมคนที่รักเมตตาเนี่ยก็ต้องเอาของไปฝากใช่ไหมละ่ะพวกหน่อไม้น้ำพึ่งน้าผึ่งมะขามหวานลักษณะอย่างนั้นน่ะหน้าไหนมันเกิดอะไร แต่นี่ตาแก่ที่เป็นพ่อนี่ยก็ได้หน่อไม้กับเห็ดของเห็ดละโงกเห็ดตะไคร้มั้งเออณนานี้แหละเออพ่อนี่ยก็ไปเยี่ยมลูกชายใส่ของพะลุงพลังไปใส่ถุงย่ามไปพ่อไปลูกชายเนี่ยเป็นนอนอยู่ที่เอห้องเช่าเล็กๆใช่ไหมล่ะอพบอตัวเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านตัวเองนเนีอ่พอไปเห็นพ่อไปกับโผล่ไปเขาก็ไปสูง ไปกับเขาเขารู้จักที่แล้วเขาก็ไปส่งให้บ้านพ่อไปเห็นลูกชายเห็นโอ้แต่แต่แต่อ้ไอขายหน้ากันนะพอเห็นพ่อตัวเองมีทั้งแกงมีทั้งเห็ดมีทั้งถุงหน่อไม้จะไปต้มไปแกงที่ไหนบ้านขนาดบ้านจะซุกหัวนอนกันยังนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นห้องห้องเดียวที่เช่าไว้เนะนี่แหละอันนี้ก็คิดอายเขากัน เพราะตัวเองเนี่ยกำลังพูดอะไรไว้มากพอสมควรจะได้เกิรีบไปตัดเสื้อผ้าให้พ่อไงนนให้เป็ดคนกลุงว่านกนันใส่เสื้อใส่หมวกใส่อะไรรองเท้าอย่างดีเลยใส่เข้าไปแต่พ่อมันคนบ้านนอกใช่ไหมล่ะเหมือนแต่งตัวให้ลิงอย่างนั้นลิงของเราไปไงกไงแต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวให้ลิงใส่ตุ้มยมตามยามไปว่านกัน วันที่โซกับบ่ายเนี่ก็พาพ่อไปพอไปหา ไ, ไปหากินข้าวพ่อพ่อพ่อผมทํำยังไงให้ทําตามผมนะทาไม่ทําตามผมไม่ได้นะยเขาจะหาผอพ่อเป็นคนบ้านนอกเอียต้องต้องทําตามผมที่ผมทํายั ง, งให้ทําตามแต่ตามผมนะแตาเมื่อไม่ได้ถ้ขายหน้าผมเลยผมอยู่ในเมืองในกรุงเขาเดี๋ยวหาวา่าพ่อ พ่อทำตัวบ้านนอกทางผูพอก็ต้องเวียงระวังทินเลยกลัวจะขายหน้าลูกใช่ไหมขนบ้านนอกนี่ซื้อได้บอกอะไรซื้อตรงเหมือนกันะ่ะลูกชายว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแต่เก็แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วกัน ใ, ใส่รองเท้า อ, อย่างดีเลยพาเดินออกไปพอไปพอไปเห็นเอ ก็พาไปกินอันนะไปกินไอ้กาแฟก่อนพ่อก็ไปนั่งกินกาแฟพอกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินออกไปไปเห็นอ้อยพอไปเห็นอ้อยอันเะนี้ยก็อ้อยเป็นควันๆนนะใช่ไหมอย่างที่เขาขายพ่อลูกชายก็เลยซื้ออ้อยให้พ่อกล่องหนึ่งตัวเองก็อบ ก, กล่องหนึ่ง ลูกพ่อเนี่สังเกตตัวนั้นเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดตัวเองพ่อพ่อลูกทํำยังไงตัวเองก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมพอลูกชายเนี่ยกินอ้อยไปคิดทิ้งทางกลางถนนไม่ได้เนี่ยพอกินอ้อยไปทิ้งถนนไม่ได้พอกินแล้วก็ลูกชายก็มีผ้าเช็ดหน้าจับมัฟใส่ผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมแต่ผู้พ่อเนี่ยเซ่อใช่ไหมพอกินเคียเค้ยวเกี้ยวอ้อยไ ป, ไปเห็นลูกชายมัน มันไม่เห็นทิ้งขี้อ้อยที่ไหนเลยว่างั้นเละพอกินแล้วหายเงียบกินแล้วก็หายเงียบมันมองไม่เห็นเลยลูกชายเอาผ้าเช็ดหน้าเอ่จําจับขี้อ้อยเอาไว้ว่างั้นเลยพ่อพ่ออะไรก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็คืนเอาคืนเอาคืนขีย้อ้อยว่างั้นนลยพวกเราคิดด้วยซึ่งลองๆไปนะกลับไปถึงบ้านเคี้ยวอ้อยแล้วคือคืนขี้อ้อยเป็นยังไงมันฝืดคอถึ่งขนาดถ้าไม่ ถ้ไม่เกินก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นลูกชายทิ้งขี้อ้อยใช่ไหมเออแต่มันทิ้งไปที่ไหนมันเกินเนอะมันต้องเกินเนอะลูกชายมันต้องเกินไป่กินกูไปคลายก็ไม่ได้แต่กูก็ต้องเกินเดียวกันเออเกินขี้อ้อยก่อนพอกินไปเกินขี้อ้อยไปกันเออฝืดฝืนใจอย่างมากเลยเหมือนกันต่อไปไปเห็นลูกชายไปเห็นกระป๋องเหมือนกระป๋องเขาทิ้งในเขาทิ้งในเออ ข้างถนนมากระป๋องนมกระป๋องอบันติ้งเนี่ยเขาทิ้งไอ้ลูกชายก็เนี่ยนท่ากระโดดเตะปังคื อ, เอนเหมือนนักกีฬาเนี่ใช่ไหมละ่ะยัก่กระโดดเตะปังท้งผู้พ่อได้เห็นลูกชายเตะเพื่อมาให้เพื่อมาให้มันย้อนกว่าลูกชายอย่างไหมลูกชายทําไงให้ทําอย่างนั้นใช่ไหมลูกชายผู้พ่อลูกชายเตะปังกระโดดเตะแบบนักกีฬาเตะท้งลูกชายกรโดดเตะพ่อนกะ็โดดเตะต่ออีกคนออกไป กรโดดเตะต่อปั้งอีกวันวันทั้งลูกชายนี่เับไม่ได้ใจวันออกไปพ่อของเราไม่น่าเป็นอย่างนี้แต่แต่ทําไมทําไมพ่อของเราเป็นอย่างนี้วะพ่อบ้านนอกเนแต่ว่าพ่อเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดว่าลูกชายทํำยังไงทําอย่างนั้นแล้วลูกชายสอ น, น, นใช่ไหมล่ะเอ้เพราะความใส่ใจของพ่อเนาะนะ อ, อไม่ให้เสียหน้า ไ, นไปเลยพ่อทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นไงแต่เ็กับ เสร็จแล้วก็ลูกชายกขาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปัดเนี่เขาไปร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นเหนียวๆน่อยนั่นนั่ะเออจากนั้นก็เอาคนและชามกันมาพอกินไปกินมาไอ้ลูกชายนุ่นก็นึกขำนึกขำพ่อที่ว่าไปเตะ ก, กระป๋องว่างั้นเถอะึพ่อพ่อเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มา ก, ก่อนเออแต่ทําไมพ่อเ น, นีไปขัดโดดเตะ ก, กระป๋องแล้วมันน่าขำจริงๆวะหนูอายุแกอีกต่างหากอันนั้นมันเป็นเรื่องของเด็ก พอนึกขำไปขำ ม, มามันอดหัวเลาะไม่ได้ไงหอนพอเอาเอาก๋วยเตี๋ยวเข้าไปในปากยังไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมยังเส้นมันยังยาวเลยหัวเลาะฮะพ่อเพื่อทำไมเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมู ก, กวะ <c oughs> เงี้ยเส้นก๋วยเมี้ยวทะลักออกมาทางจมูกยาวเหยียดเลยเหมือนกับขี้มูกเลยทต่เนี่ <c oughs> ทางผู้พ่อเนี่ยลูกทำอะไรก็ลูก กินกีอ้อยพ่อก็ททำได้ลูกพาเตกระป๋องพ่อกระเตะได้แต่ลูกเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกเนี่ยพ่อทำด้วยไม่ได้แล้วลูกเอ้ย <c oughs> แปลว่ายพ่อนี่ยยยอมแพ้เหมือนกันเออยอมแพ้ที่ว่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมู ก, กว่างันเออนี่แเอะนิทานแล้วว่า เรื่องพูดให้ฟังทางนี้ทังนั้นเน่เวลาพระจะไปกราบคาระวะครูบาอาจารย์ไม่ใช่หัวหน้าทำยังไงก็ทำหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องดูว่ามีเหตุผลอะไรหัวหน้าพานำขึ้นไปเราก็ต้องขึ้นไปคลองผ้าให้เรียบร้อยนั่งที่ไหนนั่งเป็นแถวแล้วนั่งยังไงให้ห่างกันให้ได้กราบให้เป็นไอ้ใจว่านั่งชิดกันจนกราบไปลงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ อต้องสังเกตน่ะสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญานะ่ะเออไม่ใช่ว่าหัวหน้าทํำยังไงให้ทําอย่างนั้นกับเหมือนกับเอพ่อไปกับลูกชายลูกชายหัวเราะเช่นก๋วยเตี๋ยว อ, อกทางจมูกพ่อยอมแพ้เลยอลูกชายทำอะไรทําได้หมดเนะแต่ลูกชายเอาก๋วยเตี๋ยวอกทางจมูกเช่นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมู ก, ออ ก, มกพ่อยอมแพ้แล้วลูกเอ้พ่อทําไม่ได้แล้ว ให้พวกเราทางทางลายนะไปที่ไหนให้สังเกตให้ใช้ปัญญาสรุปแล้วน ะ, อ, ะอย่าไปใช้ความสื่อบือ้อเออความไม่คิดไม่อ่านมันไปที่ไหนมันขวางเขาทั้งหมดน ะ, ะต่อไปรับพรในตีหน้านะ